ธรรมบทแปลเรื่องที่สองเรื่องมัฏฐ ก, กุณฑลีข้อความเบื้องต้นฝ่ายพระกถาที่สองว่ามโนโ ป, ปบังก็มาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารพมัฏฐ ก, กุณฑลีมานพพาสิทธิแล้วในกรุงสาวัตถินั่นแลตอนพราหมณ์ทำต้มหูให้บุตร ดังได้สดับมาในกรงสวัสถีแต่มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออาทินนปุ ป, ปกะเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆแก่ใครๆเพราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อกขาว่าอาทินนปุ ป, ปกะเขาได้มีบุรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุรคิดว่า เราจากจ้างช่างทองก็จะต้องให้ค่าบำเหน็จดังนี้แล้วจึงแผ่ทองคำทำให้เป็นตุ้มหูกลิ้งเกี่้งเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัทธะกุลีตอนรักษาบุตรเองเพราะกลัวเสียขวัญข้าว ในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้16ปีเกิดเป็นโรคผอมเหลืองบานดาแลดูบุตรแล้วจึงพูดกับพรามผู้สามีว่าพรามโรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านท่านจงหาหมอมารักษาเขาสิเถิดพรามตอบว่านางผู้เริญถ้าเราจะหาหมอมา เราจะต้องให้ขวัญข้าวเขาหล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างนางพรามณีถามเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรเล่าพรามพรามตอบว่าทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างใดเราจะทำอย่างนั้นพรามนั้นไปยังสำนักพวกหมอแล้วถามว่า พวกท่านวางยาขนาดไหนแกคนที่เป็นโรคชนิดนนลาดับนั้นพวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้นแกเขาเขาไปเอารากไม้เป็นต้นที่พวกหมอบอกให้นั้นมาแล้วทำยาให้แกบุตรเมื่อพรหมามทำอยู่เช่นนั้นแลโรคได้กำเริบกล้าแล้วจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้ พรามรู้ว่าบุตรทุพพลภาพแล้วจึงหาหมอมาคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วบอกเลิกกับพรามนั้นแล้วก็ลาไปตอนให้บุตรนอนที่ระเบียงเพราะกลัวคนเห็นสมบัติพรามรู้เวลาว่า บุตชวนจะตายแล้วคิดว่าเหล่าชนที่มาแล้วมาแล้วเพื่อประโยชน์จะเยี่ยมเยียนบุตรนี้จะเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนเราจะเอาเขาไว้ข้างนอกดังนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกตอนพระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัถกุลทลีในเวลากำลังปัจจุสมัย คือเวลาจนสว่างวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักษุเพื่อทอพระเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พ่อนแนะนำได้ซึ่งมีกุศลมูลอันหนาแน่นแล้วมีความปรารถนาซึ่งได้ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลาย ได้ทรงแผ่ตาข่ายคือพระยานไปในหมื่นจักรวาลมาถากุนทะเลมานพปรากฏแล้วหน้าภายในตาข่ายคือพระยานนั้นโดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างนั้นประสาทสดาท่าพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าพราามผู้บิดานาเขาออกจากภายในยเรือแล้วให้นอนในที่นั้นทรงดำปรีว่า จะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอโดยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นกำลังทรงรำพึงอยู่ได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่ามานบนี้จะทาจิตให้เลื่อมใสในเราทำกาละแล้วจะเกิดในวิมานทองสูงส0โยชน์ในดาวดึงเทวโลกมีนางอับสรเป็นบริวานพันหนึ่งฝ่ายพรามจะทมชาปน ก, กิจสรีระนั้น ร้องไห้ไปนในป่าช้าเทพบุตรจะมองดูอัตภาพตนสูงประมาณสาข่าววุฒิประดับด้วยเครื่องอลังการหนักห0สิบเล่มเกวียนมีนางอับสรเป็นบริวารพันหนึ่งคิดว่าสิริสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรหนอดังนี้แล้วเล็งดูอยู่ก็ทราบว่าได้ด้วยจิตเลื่อมใสในเราคิดว่า บิดาไม่หาหมอมาให้ประกอบยาให้แก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่เราจะทําเขาให้ถึงประการอันแปลกดังนี้ด้วยความขัดเคืองในบิดาจากจาแรงตัวเหมือนมัท ก, กุนทะเลมานบมาทำนองร้องไห้อยู่ที่ใกล้ป่าชา้าที่นั้นพรามจากถามเขาว่าเจ้าเป็นใคร เขาจากตอบฉันเป็นมัทธะคุณทลีมานพบุตรของท่านพรามท่านไปเกิดในภพไหนเทพประบุในภพดาวดึงเมื่อพรามถามว่าพระธรรมกรรมอะไรเขาจะบอกว่าเขาเกิดเพราะจิตที่เลื่อมใสในเราพรามจากถามเราว่า ขึ้นชื่อว่าความทาจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์มีหรือที่นั้นเราจะตอบเขาว่าไม่มีใครอาจจะกําหนดด้วยการนับได้ว่ามีประมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านั้นพันหรือเท่านั้น 100, แสนดังนี้แล้วจะพาสิทธิคาถาในธรรมบท ในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ประมาณแ0 0 0มนพันมาตกุณทลีเทพบุตรจะเป็นพระโสดาบันถึงอธินะปุะกะพรามก็เหมือนกันอาศัยกุลบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจะมีด้วยประการชนีในวันรุ่งขึ้นทรงทำความปฏิบัติพระสรีระเสร็จแล้ว อันภิกษุสงฆ์ูมใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินบาทเสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์โดยลำดับตอนมัตถากุณฑลีทําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในขณะนั้นมัตถากุณฑลีมานบกําลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือนพระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์ จึงได้เปล่งพระรศมีไปวาดหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นพระศาสดาแล้วคิดว่าเราอาศัยบิดาเป็นอันธพาลจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นบ้านนี้แล้วทำความขวนขวายด้วยกายหรือด้วยทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว กิจที่ควรทาอย่างอื่นไม่มีดังนี้แล้วได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสตอนเพราะใจเลื่อมใสทำกาละไปเกิดในเทวโลกพระสัสดาทรงพระดำริว่าพอละด้วยการที่มานบนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านั้นก็เสด็จหลีกไปแล้วเมื่อพระตถาคต พอกำลังเสด็จลับตาไปมานบนั้นมีจิตใจเลื่อมใสทำกาละแล้วเป็นประดุจต่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ30โยชนในเทวโลกตอนพรามคร่ำ ค, ครวนถึงบุตรฝ่ายพรามทำชาปนากิจสรีระมานบนั้นแล้วได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบื้องหน้า ไปที่ป่าช้าเสมอทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบนพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนตอนเทพประบุจำแรงกายไปหาพระรามแม้เทพบระบุแลดูสมบัติของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไร เมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่าได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้แล้วจึงคิดตอบไปว่าพรามผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายหาได้ให้หมอประกอบยาไม่เดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องห้อยู่ควรที่จะทำแกให้ถึงประการอันแปลกดังนี้แล้วจึงจาแลงตัวเหมือนมัทธกุลธลีมานพมาแล้ว ได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าช้าตอนเทพบุตรกับพรามโตวาทากันพรามเห็นเขาแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานอบนั่นร้องไห้ต้องการอะไรเล่าเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วเมื่อจะถามได้กล่าว คาถานี้ว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมาถากุนทลีมีพาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองคร่ำครวรอยู่ในกลางปะชา้าท่านเป็นทุกอะไรหรือมานบนั้นกล่าวว่าเรือนรถทำด้วยทองคำผุดผ่องเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันอย่างไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมเสียชีวิตเพราะความทุกนั้นทีนั้นพรามได้พูดกับเขาว่าพ่อมาโนปูเจริญคู่ล้อของมันนั้นจะทำด้วยทองคำก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้ารับประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันมาโนบได้ฟังคํานั้นคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ทํายาให้แก่บุตรแล้วครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไหยอย้อยู่ยังพูดว่าเราจะทําล้อรถซึ่งทําด้วยทองคําเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งแก่เล่นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า ท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าโตเท่าไรเมื่อพรามนั้นกล่าวว่าท่านจะต้องการโตเท่าไรเล่าจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงท่านอนข้าพเจ้าขอแล้วโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดมานพนั้นกล่าวซ้าแก่เขาว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ สองแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทาด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้นลำดับนั้นพราหม์พูดกับเขาว่าพ่อมานพท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนข่าวแท้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านจกตายเสียเปล่า จากไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยลำดับนั้นมานบจึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่เป็นคนเขา่าหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเขา่าดังนี้แล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่า แม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ทากคือวันน้าแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองชนที่ทำกาละละไปแล้วใครก็ไม่ละเห็นบรรดาเราทั้งสองผู้คร่าครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนเข่าวกว่ากันตอน พรามยอมจำนวนแล้วชมเชยเทพบุตรพราหมณ์สดับคำนั้นแล้วกําหนดได้ว่ามานพนี้พูดถูกจึงกล่าวว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่าครวนอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนเข่าวกว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทํากาละแล้วคืนมา เป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์ดังนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพได้กล่าวคาถานี้ว่าท่านมารถข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ามันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกสอนคือความโศกอันเสียดฮัทไทข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกสอนอันท่านถอนเสร็จแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วพอมานพข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านตอนพราหมณ์สักถามเทพบุตร ขณะนั้นปราเมื่อจะถามเขาว่าท่านชื่ออะไรจึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นเท้าบรินทะสักเทวราชท่านชื่ อ, อไรหรือเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้ลำดับนั้นมานบบอกแกเขา ว, ว่า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 มีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีแด่พระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศในวงเล็บเทพดาตอนปรามถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเทียวสรีราทั้งสิ้นของปรามก็เต็มแล้วด้วยปีติ เขาเมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์หนอน่าประหลาดหนอวิบากของความทําอัญชลีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระในวันนี้แลตอนเทพบุตรโอวาดพรามแล้วก็หายตัวไป ลำดับนั้นมานพได้กล่าวตอบเขาว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมาทานสิกขาบทห้าอย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากป้านติบาตจงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก จงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรยาของตนเขารับว่าดีแล้วได้พา ษ, ษิทธท้าาเหล่านี้ว่าดูก่อนยักษ์ท่านเป็นผู้ใครประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดูก่อนเทพดาท่านเป็นผู้ใครสิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ดุจเทพดาว่าเป็นสระนด้วยข้าพเจ้ารีบเว้นจากปฏิบาตเว้นของทีเจ้าของยังไม่ให้ในโลก ไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มใจด้วยภระยาของตนลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวก็ะเขา ว, ว่าพรามทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วก็อันตรทานไปณที่นั้นนั่นแหล ตอนพรามถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพรามไปเรือแล้วเรียกนางพรามณีมาพูดว่านางผู้เจริญฉันจักนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหาหล่อนจงทาสาการะดังนี้แล้วไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันฐานยืนนที่ควรข้างหนึ่งแล้ว กราบทูลว่าพระโกดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารแห่งข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระศาสดาทรงรับแล้วเขาได้ทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วจึงมาโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งขาดนิยะโภชนียาหารไว้ในเรื่องของตน พระสัสดาอันหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนแห่งพราามนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พราามอังคาดแล้วโดยเคารพมหาชนประชุมกันได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตอันพรา์ผู้มิจฉาทิฐินิมนต์แล้วหมู่ชนสองพวกมาประชุมกันคือพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฐิประชุมกัน ด้วยตั้งใจว่าวันนี้เราจะคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกพราหมณ์เบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาลําดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทําพัฒกิจเสร็จแล้ว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 เหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อานมันกทกุลทลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือพรามเมื่อไหร่พระโกดมผู้เจริญพระสัสดาวันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่เห็นมานกคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่า ท่านตกแต่งแล้วเหมือนมักทกุนทลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นไม่ใช่หรือเมื่อจะสรงประกาศถ้อยคาที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมักทกุนทลีจนหมดเพราะฉะนั้นแลเรื่องมักทกุนทลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตก็แลนั้นพระศาสดาตรัส เล่าเรื่องมัทธกุลธลีนั้นจึงตรัสว่าพรามใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อยโดยที่แท้การที่จะนับเหล่าสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ย่อมไม่มีมหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วลำดับนั้นพระสัสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัย ได้ทรงอธิษฐานว่าขอมถัถธะกุลทลีเทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวเธอมีอัธภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาพรทิพสูงประมาณสามข่าววุฒมาแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่า ท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้ได้ตรัสพระคถาว่าเทพดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจํารุ่งเทพดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอะไรไว้เทพบุตรกราบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทําใจให้เลื่อมใสในพระองค์พระศัสดาสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทําใจให้เลื่อมใสในเราหรือเทพบุตรพระเจ้าข้ามหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พ่อเอย๋ยพระคุณน่าอัศจรรย์จริงหนอ บุตรของพราหมณ์ชื่ออาทินนปุปกะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่นยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นป่านนี้ตอนใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่าการที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลกดุดเงาฉะนั้นครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาได้ตรัสพระคาถานี้สืบ อ, อนุสนทิดุดประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชลัญกร ว่ามนโนป บ, บังกมาธมามนโนเศรท่ามนโนมยามนาซาเจปสั้นเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนางสุขมันโนเวติชายาวะอนุปายินีทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวตอนแก้อัดจิตที่เป็นไปในสี่ภูมิแม้ทั้งหมดเรียกว่าใจในพระคาถานั้นก็จริงโดยไม่แปลกันถึงอย่างนั้นเมื่อนิยมกัก กำหนดลงในบทนี้ย่อมได้แก่จิตเป็นกามาผจรกุศลแปดดวงก็เมื่อกล่าวด้วยสา ม, มารถวัตถุย่อมได้แก่จิตประกอบด้วยยานเป็นไปกับด้วยสมนัตแม้จากกามาผจรกุศลจิตแดวงเท่านั้นบทว่าปุบบังกมาความว่าประกอบกับใจซึ่งเป็นผู้ไปก่อนนั้นขันสาม มีเวทนาเป็นต้นชื่อว่าธรรมแต่จริงใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ทั้งสามมีเวทนาเป็นต้นนั่นโดยอัดคือเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นเหตุนั้นขันธ์ทั้งสามประการนั่นจึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้าเหมือนอย่างว่ามีทายกเป็นอันมากกำลังทําบุญมีถวายบาระจีวรเป็นต้น แกภิกษุสงฆ์มูใหญ่ก็ดีมีบูชาอันยิ่งและฟังธรรมและตามประทีปและทำสักการะด้วยระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ดีด้วยกันเมื่อมีผู้กล่าวว่าใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่านั้นทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขาคือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทำบุญเหล่านั้นได้ทายกผู้นั้น ชื่อติดสก็ตามชื่อปุษะก็ตามประชุมชนย่อมเรียกว่าเป็นหัวหน้าของพวกเขาฉันใดคำอุปมายซึ่งเป็นเครื่องให้เกิดเนื้อความถึงพร้อมนี้บัณฑิตพึงทราบฉันนั้นใจชื่อว่าเป็นหัวหน้าของทรามเหล่านี้ด้วยอาจว่าเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการชนนี้เหตุนั้นทรามเหล่านี้ จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้าแท้จริงทมเหล่านั้นเมื่อใจไม่เกิดขึ้นย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ส่วนใจเมื่อเจตสิกบางเหล่าถึงยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้แท้และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่านี้ด้วยอำนาจเป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่ เหมือนอย่างว่าบุรุษเป็นอธิบดีของประชุมชนมีคณะเป็นต้นเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าคณะใหญ่เป็นแม่ทัพใหญ่ฉันใดถึงใจก็เป็นใหญ่แม้แห่งธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่อนหนึ่งสิ่งของทั้งหลายนั้นทั้งหลายนั้นเสร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองคาเป็นต้น ก็ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยทองคำเป็นต้นชั้นใดถึงทําทั้งหลายนั่นก็ได้ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะเป็นของเสร็จมาแต่ใจฉะนั้นบทว่าประสันเนนัความว่าผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นสองบทว่าภาสติวากรติวาความว่า บุคคลมีใจเห็นปานนี้เมื่อจะพูดย่อมพูดแต่วจีสุจริตสี่อย่างเมื่อจะทำย่อมทำแต่กายสุจริตสามอย่างเมื่อไม่พูดเมื่อไม่ทำย่อมทำมโนสุจริตสามอย่างให้เต็มที่เพราะความที่ตัวเป็นผู้มีใจผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพิ้งเล็งเป็นต้นนั้นกุศลกรรมบทสิบของเขา ย่อมถึงความเต็มที่ด้วยประการอย่างนี้บาทประกาศถาว่าตะโตนังสุขมันโนเวติความว่าความสุขย่อมตามบุคคล น, นั้นไปเพราะสุจริตสามอย่างนั้นกุศลทั้งสามภูมิพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์แล้วในที่นี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบอธิบายว่า ความสุขที่เป็นผลซึ่งเป็นไปในกายและเป็นไปในจิตว่าความสุขมีกายเป็นที่ตั้งบ้างความสุขมีจิตนอกนี้เป็นที่ตั้งบ้างย่อมตามไปคือว่าย่อมไม่ล้บบุคคล น, นั้นผู้เกิดแล้วในสุคติพบก็ดีตั้งอยู่แล้วในที่เสวยสุขในสุคติก็ดี พระอนุภาพแห่งสุจริตที่เป็นไปในภูมิสามมีคําถามสอดเข้ามาว่าเหมือนอะไรแกว่าเหมือนเงามีปกติไปตามตัวอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาเงาเป็นของเนื่องกับสรีระเมื่อสรีระเดินไปก็เดินไปเมื่อสรีระหยุดอยู่มันก็หยุดเมื่อสรีระนั่งมันก็นั่ง ไม่มีใครสามารถที่จะว่ากล่าวกับมันด้วยถ้อยคำอันละเอียดก็ดีด้วยถ้อยคำอันหยาบก็ดีว่าเองจงกลับไปเสียหรือเคี่ยนตีแล้วจึงให้กลับได้ถามว่าเพราะเหตุอะไรตอบว่าเพราะมันเป็นของเนื่องกับสรีรักฉันใดความสุขที่เป็นไปในกายและเป็นไปในจิต ต่างโดยสุขมีกามาประจรสุขเป็นต้นเป็นกุศลแห่งกุศลกรรมบทสิบเหล่านี้ที่บุคคลประพฤติมากแล้วและประพฤติดีแล้วเป็นรากเงาย่อมไม่ละบุคคล น, นั้นในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้วเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นแลในการจบคถาความตรัสรู้ธรรม ได้มีแล้วแก่เหล่าสัตว์แปด0มสี่พันมัถฐากุณฑลีเทพบุตรตั้งอยู่แล้วในพระโสดาปันติผลอธินนะปุปกัพรามก็เหมือนกันเขาได้ว่านสมบัติใหญ่ถึงเท่านั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้แลเรื่องมัถฐากุณฑลี